สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงหนึ่งพงศษบทที่8แล้วครับเป็นเรื่องของการอัญเชิญหีบพันธสัญญาเข้าสู่พระวิหารจากนั้นก็จะเป็นคำอธิษฐานคำสรรเสริญและคำอวยพรของโซโลมอนพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหกษัตริย์บทที่8ข้อที่1จากนั้นกษัตริย์โซโลมอน ทรงเรียกบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลหัวหน้าเผ่าต่างๆและหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของชนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่ออัญเชิญหีบพันธสั ญ, ญญาขององค์ผู้เป็นเจ้ามาจากสิโยนเมืองดาวิดผู้ชายอิสราเอลทุกคนก็พากันมาเข้าเฝ้าโซโลมอนในช่วงเทศกาลของเดือนเอธานิมซึ่งเป็นเดือนที่7เมื่อผู้อาโสทั้งปวงของอิสราเอลมาถึงแล้ว บุโรหิตก็ยกหีบพันธสัญญาขึ้นและหามหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปส่วนเต็นนัดพบกับเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งปวงในนั้นบุโรหิตและชนเลวีช่วยกันนําไปยังพระวิหารกษัตว์โซโลมอนและชุมนุมประชากรอิส ร, ร, ราเอลทั้งปวงที่มาชุมนุมกันหน้าหีบพันธสัญญาได้ถวายแกะและวัวเป็นเครื่องบูชาจํานวนมากจนนับไม่ถ้วน จากนั้นผู้โรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้าเข้าสู่สถานมั ส, สการชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถานตั้งไว้ใต้ปีกของเครูปเครูปทั้งสองกลางปีกเหนือที่ตั้งหีบพันธสัญญาและปกเหนือหีบกับคานหามคานหามนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านในของวิสุทธิสถาน ซึ่งอยู่หน้าสถานนรมสการชั้นในแต่มองไม่เห็นจากด้านนอกของวิสุทธิสถานและคานนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ในหีบนั้นไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสได้ใส่ไว้เมื่ออยู่ที่ภูเขาโฮเรบซึ่งองค์พระวิจ้าทรงกระทาพันธสัญญากับชนอิสราเอลหลังจากพวกเขาออกมาจากอียิปต์ เมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถานก็มีเมฆมาปกคลุมทั่วพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาปุโรหิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพราะเมฆนั้นเนื่องจากพระเกียรติศริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมอยู่ทั่วทั้งพระวิหารของพระองค์พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นได้เริ่มต้นโดยการที่กษัตย์โซลมน ได้เรียกบรรดาผู้โอโซของอิสราเอลหัวหน้าเผ่าต่างๆมาเข้าเฝ้าครับรวมทั้งหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของคนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าก็นับว่าเป็นคนที่จํานวนคนที่มหาศาลมากในขณะที่พวกเขามาเข้าเฝ้านั้นโสุลมอนก็ได้ให้คนหามหีบพันธสัญญามาจากสิโยนเมืองของดาวิดและเมื่อพวกเขานั้นได้หาม หรืออันเชิญหิบพันธสัญญามาแล้วก็เชิญเข้าไปในสถานรับมรชั้นในก็คืออภิสุทธิสถานส่วนเครื่องใช้ไม้สอยที่เคยอยู่ในเต้นนัดพบนั้นเขาก็ได้เชิญมาแล้วก็มาประดิษฐานไว้อยู่ในพระวิหารหลังใหม่นี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเมื่อเขาได้วางหิบพันธสัญญา เข้าไปในอภิสุท ธ, ธิสถานนะครับเขาตั้งไว้ใต้ปีกของเครูปและเครูปทั้งสองก็กางปีกนะครับกางปีกเหนือที่ตั้งหีบพันสัญญาและปกอยู่เหนือหีบกับคานหามนี้ในข้อที่8นั้ น, พ, นพระเจ้าได้บรรยายว่าคานหามนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านในของวิสุท ธ, ธิสถานซึ่งอยู่ด้าน หน้าสถานบัญชการชันน้นในหีบนั้นมีบรรจุศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสใส่ไว้เมื่ออยู่ในภูเขาโฮเรบนั่นคือที่ที่พระผู้เป็นเจ้าทําพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับคำว่าพันธสัญญากับคำว่าสัญญานั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับสัญญานั้นก็คือมีความหมาย ในแง่ของการผูกพันกันนะครับการผูกพันกันการที่จะต้องรักษาสัญญาแต่คําว่าพันธสัญญานั้นมีหมายความมากกว่าความผูกพันกันครับก็คือจะต้องมีการแสดงออกด้วยการกระทำํำนั่นหมายความว่าจะต้องทั้งสองฝ่ายนั้นจะรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่กันเป็นพันธะผูกพันกันมากเมื่อมีความ ผูกพันทางพันธะมีพันธะผูกพันและจะต้องมีความรับผิดชอบที่เรียกว่า responsibility เกิดขึ้นดังนั้นเองคาว่าพันธสัญญานั้นจึงเป็นสัญญาที่ผูกมัดเป็นพันธะที่หนาแน่นแน่นหนาและสามารถที่จะเรียกร้องสามารถที่จะยืนยันสามารถที่จะอ้างอิงถึงความสัตย์ซื่อในการรักษาสัญญา ของทั้งสองฝ่ายได้พี่น้องครับพันธสัญญานั้นโดยส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นั้นก็คือเป็นพันธสัญญาที่ผู้ใหญ่กระทํากับเด็กครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลผู้ทรงเรียกเขาออกมาผู้ทรงเลือกเขาจากบรรดาประชาชาติทั้งหลายทําสัญญากับอิสราเอลชนชาติของพระองค์มีภาวะผูกพันจนชั่วนิรันดรหากชนอิสราเอลนั้น เขารักษาพันธสัญญานี้ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปในคําสรรเสริญคําอวยพรและคําอธิษฐานของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทําพันธสัญญากับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าได้ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้แต่ในขณะที่เราทั้งหลายหลายครั้งทีเดียว เรารู้ว่ามีพันธสัญญาอยู่ครับแต่เราไม่ได้รักษาพันธสัญญาจึงทำให้ลูกหลานของเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีไม่ได้รับพระพรเราเองอาจจะรับอยู่เพียงแค่เจเนอเรชันเดียวแต่เราไม่ได้ทำตามคำว่าพันธสัญญานั้นจะต้องยืนอยู่บนหลักการของสองอย่างครับคือ trust and obey ก็คือไว้วางใจ มีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจจนนำไปถึงการเชื่อฟังครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีออบลิเกชันและ e s ponsibility ออบลิเกชันคือภาวะผูกพันครับพันธสัญญานั้นเกิดโดยภาวะผูกพันและมีความรับผิดชอบ e s ponsibility ต่อภาวะผูกพันนั้นนั่นคือเป็นที่มาแห่งพระพรครับพี่น้องครับเมื่อชีวิตของเรานั้น ผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรารู้แน่ครับว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของโรร่งอยู่เสมอมนุษย์ต่างหากซึ่งอ่อนแอและตกอยู่ในความบาปไม่สามารถที่จะรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าได้จึงทําให้ชีวิตของเรานั้นพร่องในพระพรของพระเจ้าไปเพียงครับหากเราจยาจะให้ชีวิตของเราและลูกหลานของเรานั้น จะไม่พร่องในพระพรของพระเจ้ารับพระคุณและพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มขนาดเราเองนั้นจะต้องรักษาสัญญาและเชื่อฟังครับเราเองจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่าลืมคําว่า trust and obey เชื่อวางใจและเชื่อฟังครับทําตามที่พระเจ้าได้ให้ไว้ทําตามที่พระเจ้าทรงมีพันธสัญญาไว้ชีวิตเรา จะไม่พร่องพระพรตลอดไปแต่ลูกหลานของเราก็จะไม่พร่องและอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปด้วยเช่นกันครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน